ที่เป็นเพื่อนร่วมโลกกังปวงต่างอยู่เป็นสุขเขารบความดีของกันและกันและในสังคมนี้เราต้องพบกับคนทั้งสองประเภทคือผู้ที่ฝากไฟหมกมุ่นหวังพึ่งเทวดาและผู้ที่ไม่เชื่อถือมิจิกระด้างครึ่งเครียดเหยียดหยามทั้งต่อเทวดาและผู้นับถือเทวดาต่างวิวาทขัดแย้งกันเรามีโอกาสก็พึงชักจูงคนทั้งสองพวกนั้นให้มาอยู่ณจุดกลางที่พอดี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 ท่านจะพิจารณาตัดสินใจเองส่วนตัวเรานั้นจะตั้งจิตมั่นเพียรพยายามทากิจของตนไปจนสุดกำลังสติปัญญาความสามารถและจะฝึกฝนตนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปทั้งในทางปัญญาและคุณธรรมจนข้ามพ้นเข้าสู่พัฒนาการขั้นที่สามซึ่งเป็นอิสระและสมควรเป็นที่เคารพบูชาของเทวดาได้ที่ว่านี้ไม่ใช่หมายความว่า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 อันเสริมส่งและคุ้มนำชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญและความกเกษมสวัสดีทางด้านพระภิกษุผู้สัมพันธ์กับประชาชนในฐานะผู้นำทางจิตใจเมื่อจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้พึงเตรียมใจระมัดระวังถือเหมือนดังเข้าประจนภัยโดยไม่ประมาทสาหรับผู้เก่งกาจทางอนุสาสนีก็ไม่สู้กะไรอาจอาศัยความเชี่ยวชาญในเชิงสอน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 เป็นอันตรายทั้งแก่ชีวิตของเขาเองและแก่สังคมส่วนท่านที่ไม่ถนัดในเชิงสอนนำชาวบ้านก้าวสู่พัฒนาการขั้นสูงเช่นนั้นและจะเข้าไปใช้สิ่งที่เขายึดอยู่เป็นจุดเริ่มต้นมีข้อที่จะต้องตระหนักมั่นไว้ในใจหลายอย่างสำหรับอิทธิปาฏิหารเป็นอันตัดไปได้เพราะมีพุทธบัญญัติห้าไมไว้แล้วไม่ให้ประสงค์แสดงแก่ชาวบ้านคงเหลืออยู่แต่มงคลหรือสิ่งที่จะให้เกิดมงคล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 นอกจากนี้ควรพยายามเน้นให้ปฏิบัติตามพุท ธ, ธานุญาติว่าทมต่อเมื่อเขาขอซึ่งจะเป็นการกระชับขอบเขตให้รัดตัวเขามาอีกข้อที่สซึ่งไม่อาจลืมได้คือต้องให้อนุสาสนีชนิดนำออกเสมอในเมื่อได้โอกาสคือนำออกจากกิเลสออกจากวัตตะออกสู่ความเป็นอิสระเสมอเพื่อทั้งเร่งรัดและกากับให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย สภาพปัญหาอย่างหนึ่งในปัจจุบันก็คือพระที่เก่งทางอนุสาสนีก็มักไม่เอื้อเฟื้อเอ็นดูแก่พระพวกอื่นที่ยังอาศัยสิ่งจูงลอ่อฝ่ายพระพวกอื่นนั้นก็มักไม่ใส่ใจในอนุสาสนีชนิดนำออกสู่ความเป็นอิสระออกจากกิเลสบ้างเสียเลยหรือไม่ก็มัวเพลินหมุนวนอยู่ที่เดิมอย่างเดียวไม่ยอมเดินหน้าพวกที่เห็นแก่ลาบไม่ต้องพูดถึงเมื่อเป็นเช่นนี้จุดบรรจบประสานจึงไม่มี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 และความเป็นอิสระและสองไม่เป็นเหตุให้หมกมุ่นหลงไหลหรือจมัวรีรอไม่ลงมือทาคือมีหลักทาการด้วยความเพียรตามเหตุผล